เนี่ยมาดูนะว่าพวังเนี่ยแม้พวังขจิตอันเป็นปัจัยแห่งมโนวิญญาณคือชาวนะก็เรียกว่าเป็นวัตถุเพราะถ้าอย่างติเหตุกาปฏิสนที่ไม่มีนะวิปัสนาญาณก็ยากที่จะเจริญได้ศีลก็ยากที่จะรักษาได้ดีเนี่ยนะแต่ก็อาเหตุกะปฏิสนทีที่รักษาศีลก็มีอยู่บ้างเช่นพระโพธิสัตว์ที่เวลาเกิดเป็นเดรัจฉานใช่ไหมแต่ไม่มาก น, นะถ้ากกล่าวโดยจํานวนแล้วไม่มากนะัก ยิ่งวิปัสสนาเนี่ยนะเป็นเดรัจฉานเป็นต้นก็ยากที่จะจะเจริญนั้นพวกพวังที่นำเกิดเน้นะับว่าสำคัญเป็นวัตถุของของสตขิของปัญญาเป็นต้นเนนะีแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายก็ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละว่าเป็นอัตตาเมื่อเป็นอัตตานะสมมติถ้าเขาจะชำระตาของเขาให้บริสุทธิ์เขาดูอะไร ถ้าถ้าเขาถือว่าตาเป็นอัตตานี่ยเขาจะเลือกดูละดูอันนี้เป็นอัปมงคลดูอันนี้เป็นมงคลเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามาควรดูอะไรนั่นแหละที่มาของลับที่มงคลแบบเห็นเนี่ยนะทิฏฐิมงคลเนี่ยถือการเห็นเป็นมงคลเพราะเขาถือว่าตานี่เป็นอัตตานีพวกที่ถือหูว่าเป็นมงคลถือว่าหูเป็นอัตตานีก็จะเลือกคัดสันฟังเสียงที่เรียกว่าฟังอาดเสียงอะไรแล้วเป็น มงคลพวกพี่ถือจมูกถือลิ้นถือกายเป็นมงคนนะพวกนี้ก็ไปคัดสรรหาไอ้วัตถุข้างนอกที่ที่จะทำให้เขาเกิดมงคลนะะพวกที่นับถือใจว่าเป็นอัตตาล่ะก็จะคิดไปอีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันดีสำหรับเขาแต่ของของพุทธศาสนาก็ก็กล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของภายในนะอัชะตชัตตเนี่ยนะเรียกว่าภายในตนแต่ว่ามันไม่ใช่ตน มันภายในตนตนในที่นี้แปลว่าไม่ใช่คนอื่นอัชะตะก็ต่างคู่กับคาว่าอะไรพระหิทธาภายในเนี่ยในที่พูดในก็แสดงว่ามันต่างจากนอกเหมือนกับพูดขาวก็ต่างจากดำะนะพูดสว่างก็ต่างจากมืดฉั้นใดก็ดีถ้าพูดภายในก็ให้รู้ว่ามันต่างจากภายนอกแต่ว่าเดียรถีมันสำคัญผิดว่าเป็นเป็นตนจริงๆภายในภายในตนเนี่ยนะ ก็คือสําคัญว่ามันเป็นตนจริงๆล่ะตนจริงๆมันไม่มีหรอกแต่จะเรียกว่าตนก็ได้เพราะมันไม่ใช่คนอื่นน่ะแต่ว่ามันไปสําคัญว่ามันมีจริงเข้าในสิ่งีมันยุ่งมากเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะสอบถามตามเป็นจริงอ่ะนะว่าตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงหอ้จมูกเลนต์กายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดานะถ้าใครสําคัญว่าตนอ่ะแสดงว่าตนก็ไม่เที่ยง เอะถ้าตนมันควรจะเที่ยงใช่ไหมนี่มันเมื่อมันไม่เที่ยงมันจะควรหรือจะเห็นว่าเป็นตนถ้าตนมันควรจะเป็นสุขใช่ไหมนี่มันไม่เที่ยงด้วยมันเป็นทุกข์ด้วยมันจะเป็นตนได้ยังไงฮันโธงวิธีแก้ที่ให้ละความสําคัญว่าเป็นตนเป็นของตนเนี่ยพระองค์ก็จะถามสอบสวนให้เห็นบ่อยๆว่าสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยง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 สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่าเป็นเราว่าเราว่าของเราว่าอัตกาของเราเนี่ยไม่ควรเนี่ยนั่งนั่งไล่อย่างนี้วันละครั้งก็ยังดีนะถ้าไม่ได้อะไรเลยนะฝึกตีระปริญญาตามพระพุทธเจ้าบ้างอันะก็คิดตามนี่แหละแส่แล้วเคยเห็นตาเที่ยงไม่หลับก็ไม่เคยมีใครเห็นเที่ยงอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นการคิดอย่างนี้คิดตามเป็นจริงไหมจริงเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าโครงการนําร่อง นำร้องให้เห็นว่าโอ้คอมันไม่เที่ยงจริงๆอนะเพราะถ้าแทงตลอดอริยสัจไปแล้วมันก็ทุกขสั์ก็ต้องไม่เที่ยงอยู่แล้วมันก็วิปริณามัทโธใช่ไหมมันก็ต้องฝึกที่จะให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าไม่เคยนำร่องไม่เคยอะไรแล้วรอให้มันไม่เที่ยงก่อนนะถ้ามันไม่เที่ยงจริงๆแบบไม่เที่ยงแบบที่เรายอมรับกันนะถามว่าจะเออมันไม่เที่ยงจริงๆไหม น้อยมากอะนะเส้นอยู่ๆตาบอดขึ้นมาเออใช่แล้วมันไม่เที่ยงมีไม่กี่คนหรอกที่คล้ายๆกับ น, นางอัมพปาลีอะนะนางอัมพปาลีก็สํารวจกายนะโอ้ยเมื่อก่อนนี่งามกว่า น, นี้เยอะตอนนี้ก่อนมันดี๋ยเป็นเหมือนเดิมแล้วคําพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกจริงๆอะนะไม่ค่อยมีมากนะที่สํารวจกายตัวเองแนละ้วมันนึกถึงคําสอนเนี่ ย, น, ยนะพมาโอ๊ยผมเมื่อก่อนนะี่มันเคยดำคลับตอนนี้ก็นะ ก็ตามสมควรเนี่ยนะผอพงตัดจะถูกจริงๆเลยเนะี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมจมูกเคยอย่างนั้นตาเคยเป็นอย่างนี้นผิวเคยเป็นอย่างนั้นคอเคยเป็นอย่างนี้แขนเป็นอย่างนั้นนิ้วเป็นอย่างนี้ตอนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเลยผองตัดถูกต้องแล้วน่อยกนะ็ก <im itation> ็ถ้าอย่างนั้นก็ใครยังชั่วหน่อ ย, อ ย, น, ยนะแต่ไม่มากนกหรอกฉั้นวัตถุภ า, ายในเนี่ยควรที่จะเจริญควรจะมาพิจารณานะอาญาตนะภายในเนี่ยทั้งหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถ้าวัตถุใดที่เราคล้องมากๆนะสมมติเราคล้องในในบุวัตถุภายนอกมากเลยนะก็เอาตาของวัตถุภายนอกมาถามว่าตาคู่นั้นมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะก็ไม่เที่ยงก็ไล่ถามนี่หูแลเที่ยงไหมจมูกเที่ยงไหมลิ้นเทียยเท่ยงไหมกายเที่ยงไหมใจเที่ยงไหมถ้าถามอย่างนี้สอบไปบ่อยๆบ่อยๆนะมันก็เลิกก็กปยรูปสาตารูปนะสําคัญนะก็มาซ้อมถามเอาไว้บ้างเยอะๆเนี่ยนะนะ ก็อย่างน้อยที่สุดเวลานึกแล้วก็นึกอยู่แหละคือปรีรูปสาตรูปเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าไม่ตั้งใจนึกมันก็นึกแล้วมันนึกบ่อยด้วยอย่างเงี้ยนะก็แทนที่จะนึกไปเปล่าๆด้วยอำนาะจการมาฉันทาก็นึกให้เป็นเนคขมวมิตกันนะนั่งถามไปเรื่อยๆผมเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยก็ไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้นนะี่วิธีทําปริญญาเบาๆที่สุดนะนะ ถ, ถ้าใครทําไม่เป็นก็นั่งถามแบบนี้เรื่อยๆ ว่าถ้าถามแบบนี้ไปบ่อยๆนะทําไมพระพุทธเจ้าตรัสสูตรนี้ว่าเยอะจังเลยนะเดี๋ยวจะเห็นนะเออเนี่ยพระ อ, องค์ก็ตรัสอย่างที่เราเจริญเนี่ยนะค่อยๆปลื้มหน่อนี่มาดูวัตถุภายนอกนะพระหิตธาภายนอกความว่าในอารมณ์แห่งยานเหล่านั้นอันมีในภายนอกจากธรรมะอันเป็นอัชชะตาอัชชะตา ะ, ะตาหกก็คือไม่ใช่ตานะ่ยทักทักว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่ตาแล้วมันใช้ตาดูทั้งหมดเรียกว่าภายนอกหมดเลย แม้กระทั่งสีในร่างกายของเราก็เรียกว่าเป็นภายนอกสิ่งที่ไม่ใช่หูนะที่มันเป็นเสียงดังๆขึ้นมากระทบมันจะเกิดจากไหนทั้งหมดก็เรียกว่าภายนอกกลิ่นนะถึงจะกลิ่นตัวของตัวเองก็ยังเรียกว่าเป็นภายนอกรถนะแม้ทั้งรถของน้ําลายก็ยังเป็นภายนอกโพธาะนะโพธาะทั้งหมดถึงจะปวดหัวตัวร้อนถึงจะอยู่ภายในก็ยังเรียกว่าเป็นภายนอกสิ่งที่เราคิดถึงทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น ภายนอกสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหมดนั้นนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าภายนอกภายนอกแบบภายในภายนอกอยู่ที่อยู่ในอ่ะนะคนนอกที่อยู่ในนะ่ะก็คนอมันอยู่ข้างนอกอายตนะภายในหกแต่มันก็อยู่ภายในร่างกายอันนี้แหละมันก็พิจารณานะถ้าถามตาจบก็ถามสีบ้างอนะสีเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระราหุนที่บรรลุนะเพราะพ่อองศ์สอนสูตรนี้นะ ในตะว่าในจูลราฮูโลวาทสูตรเนี่ยก็ให้สอบถามกําหนดอายตนาภายในหกกาหนดอายตนาภายนอกหกวิญญาณหกภาษาหกเวทนาหกก็ถามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ไล่ไปเรื่อยๆก็นั่งทบทวนตรึกอย่างนี้บ้างกอย่างดีนะจริงๆก็ช่วยได้เยอะนะคือไอ้ไม่เที่ยงส่วนใหญ่นะเราไม่เที่ยงอยู่ข้างนอกไหมไม่รู้อสีที่เราเห็นไม่เที่ยงหมดแต่ว่าดูตาของเราใช้ได้อีกนานอะนนะก็ไม่ยอมรับว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยนะก็ไม่ค่อยเจริญ เสียงที่เราฟังเัาก็เสียงมันไม่เที่ยงแต่หูเรามันเหมือนเดิมอยู่ตลอดเลยมันอาจจะตึงไปบ้างนะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อย่างนั้น ก, ก็ยอมรับมันสอบถามในวัตถุภายในให้มากมมากๆเนี่ยนะจะดีถ้าที่ารณาภายในได้มากเท่าไหร่ภายนอกก็มากเท่านั้นส่วนยานต่อไปเขาเรียกว่าเจรญญยาณตาเห็นไหมภูมิญาณตะแล้วก็ นวธรรมะวะวฐานเรียกว่าธรรมะนาต่าเนี่ยนะทีนี้อยากจะพูดถึงปริญญาสามมากกว่าในหน้าเก้าสิบเนี่ยนะเลยไปดูเรื่องปริญญาเพราะว่าธรรมะกลุมม่มอื่นๆจะเราจะเข้าใจชัดได้ที่เรียน น, นะยนิเทศเนี่ยนะเรียนนิเทศก็ไปดูเกี่ยวกับยาตัทธะนะก็คือยาตะปริญญาตีรณปริญญาและปะหานะปริญญาก็มาดูปริญญาสามเลยนะ แบบนี้ปริญญาสามคือการกำหนดรูปนามรูปโดยประเภทนั้นนั่นแหลเป็นยาตะปริญญาต่อจากนั้นก็เป็นตีระปริญญาในลำดับต่อไปก็เป็นปหาหะนะปริญญาและภาวนาคือการเจริญสัจฉิกิริยาการทำให้แจ้งก็ย่อมมีเพราะเนื่องด้วยปริญญาสามนันม้นการทำปริญญานี่เชื่อว่าได้เจริญสิ่งที่ควรจเจริญเชื่อว่าได้ทาให้แจ้งสิ่งที่ควรทาให้แจ้ง ถ้าได้ทําปริญญาแล้วนะอย่างอย่างถ้าเรียนเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปจะเรียนอภินญยญ า, ยายนิเทศนะเช่นจักขู่ควรรู้ยิ่งด้วยยาตาปริญญาใช่ไหมจกักขูควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาจักขู่ควรละด้วยประหะณะปริญญาจักขู่ควรทําให้แจ้งด้วยนะควรทําให้แจ้งด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าไอ้ตัวที่ไปกําหนดรู้ไปไปกําหนดรู้ด้วยอ ไปละด้วยอะไรอ่อันนั้นแหละคือตัวภาวนาเนี่ยนะตัวนั้นแหละคือตัวภาวนาตัวที่ต้องเจริญมีคือตัวนั้นอย่างเดียวนั้นถ้าใครทำปริญญาเป็นก็จะเข้าใจถึงว่าภาวนาเนี่ยภาวนาอะไรสิ่งที่ควรทำให้แจ้งเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะเริ่มเห็นชัดนะนะไม่งั้นเราก็เหมือนเหมือนอย่างว่าอ่นนะนะจริงๆเช่นคำว่าปรารถนานิพพานคนที่ปรารถนานิพพานเป็นเรื่องที่ดีดีไหมดี อยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนนอโอ้โหดีเหลือเกินเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นเหมือนเขาว่าอยากจะไปไหนสักแห่งหนึ่งยังรู้ที่เลยใช่ไหมเอออยากจะไปเชียงใหม่เหลือเกินยังไงสมมติเนะยเชียงใหม่มันอยู่ที่ไหนยังพูดทิศอะไรกันได้าลยแล้วอมตะมันอยู่ทิศไหนอ่ะแต่ทําไมอยากบรรลุล่ะแล้วอยู่ที่ไหนอันนี้แหละที่ที่จะต้องเอามาคิดอยู่ที่ไหนดีือ๋อนะอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละ ถ้าเรียกว่าอยู่ในตาหูจมูกเล่นกายใจอก็เอามีดมาผ่าดูสิก็ไม่ใช่อ่ะนะแล้วถ้าอยู่ห่างจากตาหูจมูกเล่นกายใจก็ไม่ใช่มันอยู่ในตาหูจมูกลิ่นกายใจก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอมมาตาบทต้องระลึกถึงเสมอว่าอย่างอย่างคุ้นเคยกันบ่อยนะจากโคจากโคสมูไทยจากโคนิโรดจากโคนิโรถ้าขาไม่มีปฏิปทา จกักขูพระพุทธเจ้ากําหนดรู้แล้วด้วยยาตะปริญญากับตีรณปริญญาจากักขูสมุทัยพระองค์ละแล้วด้วยทหารปริญญาจากักขูนิโรธพระองค์ทําให้แจ้งแล้วจกักขูนิโรธค า, ามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วถ้าใครที่หมั่นฝึกซ้อมคิดแบบนี้บ่อยๆจะเริ่มเข้าใจคําว่าจากักขูนิโรธที่เรียกวันนี้ผ่านได้แต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้นะมันมัน โครงการในฝันจริงๆเลยนะซึ่งอะไรก็ไม่รู้เป็นนิพพานในความฝันเน่ยนะที่ไหนเนาะอยู่ที่ไหนเนาะแต่ว่าอยากบรรลุแล้วเกินเนี่ยนะยังหาประตูก็ยังหาไม่เจอเลย ว, ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยนะ<ม>แต่ถ้าสมมติเอาอะไรดีเอาตากันแล้วนะท่านไปไหนก็หลับไม่ค่อยไม่ได้หลับตาไปแล้วนะลืมตาไปซะส่วนใหญ่ก็ถ้าพิจารณาตาได้ก็ใช้ได้ละจักขูเนี่ยเนะย พระพุทธเจ้ากำหนดรู้แล้วด้วยยาตะประิญญากับอีรณะประิญญาสองประการ